ก็ให้รู้ทันจิตใจตนเองที่กำลังถูกผลักดันด้วยกระแสตัณหาไม่ใช่ไปกดข่มไม่ให้จิตยินดียินร้ายนะครับควาามมับซโรทีี่ถามจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์นี้เป็นอย่างไรครับจะได้มาด้วยวิธีใดต้องเผชิญโลกจนกล้าวกระด้างหรือโดยหนทางอื่น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 เพราะจะได้ทราบประสบการณ์ที่กว้างขวางออกไปแล้วจิตใจก็จะเกิดความพึกหานตั้งใจปฏิบัติไปด้วยปกติพระป่าท่านไม่สอบอารมณ์กันเพราะไม่จาเป็นเพราะนอกจากลูกศิษย์มีหน้าที่ต้องส่งกันบ้านด้วยตนเองแล้วถ้าเราคุ้นเคยกับท่านเวลาเราปฏิบัติไม่ดีท่านเห็นหน้าท่านจะอบรมสั่งสอนให้เลยไม่จาเป็นต้องมานั่งถามเราว่าทํามอย่างไร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 อย่าปิดตัวเองอยู่แค่การมาศึกษากับผมหรือรู้จักอยู่แค่สาาลุงชินโลกของนักปฏิบัติยังกว้างใหญ่และรอเราไปสัมผัสขอเพียงมีใจรักและตั้งใจจริงเท่านั้นถามขอส่งกันบ้านบ้าง น, นะครับ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 มันอุทานออกมาอย่างนั้นเองและเห็นว่าความสุขนั้นก็ส่วนหนึ่งและตัวผู้รู้นั้นก็อีกส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกันนอกจากนี้ยังเห็นอาการที่เดิมเคยคลอเคลียอยู่ในสุขนั้นค่อยๆ ค, คลายออกมาเป็นตั้งมั่นดำรงอยู่เฉยๆตั้งหากจากความสุขอันนั้นจนใจเองได้อุทานออกมาอย่างที่ไม่ได้คิดและไม่ได้จงใจตอบ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 ตอนนี้จำทางได้แล้วปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือจิตมักจะไปปรุงแต่งสภาวะนั้นขึ้นมาด้วยความอยากและเพราะมันจำทางได้ตรงนี้ละครับที่สัญญามันจะปิดกั้นปัญญาตัวจริ ง, ง, ทงบทความจากธรรมะใกล้ตัว<ม>ฉบับที่16อ่านโดยโจโฉหรืออนุสรนรีโสภา ไม่